เพราะว่าการ <c oughs> สอบรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรา <c oughs> ได้รู้ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติว่าก้าวไปถูกหรือก้าวไปผิดเี่ยก็จะได้เพิ่มเติมตรงนั้นพราะเวลาเหลือน้อยพรุ่งนี้ได้เต็มวันอีกวันหนึ่งวันอื่นก็เหลือครึ่งวันอย่างนี้เนี่ยอันนั้นก็ในส่วนไหนเบอกไปในส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องก็จะเสริมให้ บางคนก็เคยปฏิบัติมาหลายครั้งสามสี่ครั้งเข้าใจได้มากขึ้นนะก็น่าดีใจด้วยว่าจะไม่ทุกตลอดไปจะไม่ตกนรกด้วยนะประกันได้เลยคนที่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องปรมาิตย์ไปแล้วนี่เรียกว่าออกจากนรกได้นะเพราะนั้นในคำสอนพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านอมองให้เห็น มันช้เห็นถึงทางที่ชัดเจนของจิตของชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่อยู่มั่วไปว่าข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ไม่เห็นไม่แช่งนั่นมันเป็นทางที่ชัดเจนไม่เหมือนศาสดราอื่นไม่เหมือนคำสอนทั้งอื่นเพราะนั้นเองเราก็อีกนิดหนึ่งนะเราก็ต้องทําความเข้าใจกันบ่อยๆเพื่อเพื่อไม่ให้เราพลาดในการที่จะ <c oughs> เดินทางทางจิตใจเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไวมากถ้าสมมติว่าพลาดนิดเดียวก็ไปไกลแล้วนะเพราะนั้นการเข้าปฏิบัติพิปัญนาไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่สมัยนิยมไม่ใช่ต้องการบุญต้องการไปสวรรค์อย่างที่ทั่วไปเขาทากันแต่ต้องการรู้จัก ที่ไปที่มาของชีวิตชีวิตที่มาเป็นอย่างไรแล้วจะไปอย่างไรแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปเนี่ยให้เรารู้ชัดจะก่อนก่อนที่มันจะเป็นไปเนี่ยอันนั้นคือความหมายของวิปัสนาถ้าเรายังไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเราจะไปที่ไหนเกิดเป็นอะไรทุกขสุขอย่างไรเนี่ยถ้าไม่ทําวิปัสนาจะไม่รู้นะต่อให้เราปฏิบัติภาวนาตลอดชีวิตก็ยังไม่รู้ถ้ายังไม่เป็นวิปัสนานะ แต่มีศาสนาเนี่ยต้องรู้แจ้งเห็นจริงในอดีตอนาคตในชีวิตจิตจของเราชัดเจนอ่าเพราะว่ามันเป็นนามธรรมก็จริงแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วมันก็เหมือนรูปธรรมชนิดหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้ตานอกมองเห็นสิ่งที่เป็นวัตถุได้ตาในามองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เราก็ต้องมาสร้างตาในาให้เกิดขึ้นนะ พาตาในนี่มันหมายถึงตัวตัวรู้คือตาปัญญาตาปัญญาที่สามารถมองอมองทะลุมิติของวัตถุได้นะก็เริ่มทุกอย่าง ก, ก็เริ่มต้นจากจากการมองตัวเองไงโลกภายนอก กวางไกลใครใค ร, ใครรู้ใครก็รู้นะโลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมอยากรู้เรื่องโลกภายนอกให้มองออกไปถ้าอยากรู้เรื่องภายในกลับมามองตนนะฉันกล่าวไว้กลับมามองตัวเองเนี่จะรู้เรื่องอมิติทางจิตวิ ญ, ญญาณได้ทั้งหมดนั่นนั้นเราจะรู้ก็ต้องลงทุนนะไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่มาได้ง่ายๆนะ ไอ้ที่เรามาปฏิบัติได้ง่ายในชาตินี้หมายความว่าเราอาจจะปฏิบัติมาหลายชาติแล้วก็ได้มันถึงง่ายและไวแต่คนที่มาปฏิบัติชาตินี้มันยากหมายความว่าเพิ่งเริ่มต้นมันถึงได้ยากแต่เราก็ไม่ควรจะท้อเออมันยากเราก็าอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นชาติต่ตอไปเราอาจจะปฏิบัติง่า ย, วยกว่า น, นี้ได้เยอะหรือบางทีอาจจะชาติ น, นี้ก็ได้วันนี้มันยากเดือนนี้มันยากเดือนหน้าปีหน้ามันอาจจะง่ายก็ได้ เพรนั้นพบชาติไม่ได้หมายถึงตายแล้วไปเกิดแต่มายถึงว่าอนาคตจะนับจากวินาทีนี้ไปข้างหน้านี่แหละมันเป็นอนาคตเป็นชาติหน้าได้ตลอดเวลาลชาติที่แล้วก็มาถึงนับย้อนหลังไปตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาไม่กี่เนี่ยย้อนหลังไปชาติเป็นชาติที่แล้วทั้งหมดจะย้อนไปขี่หมื่นกี่แสนวันแสนปีก็ตามก็ถือว่าเป็นเป็นอดีตนะ ดังนั้นเราก็ไม่คนท้อถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกเข้าใจยากปฏิบัติลําบากก็ให้รู้ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะเรารู้สึกปฏิบัติง่ายเข้าใจง่ายแล้วเดียวก็ให้รู้ว่าเออเราได้ทํามาก่อนแล้วมันถึงง่ายนะดังนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่น่าทํานอกจากเรื่องวิปัสสนาพระพุทธเจ้าท่านถึงสละทั้งหมดนะสละลูกสละเมียสละทระัพย์สมบัติ สละประเทศชาติราชฐานแผ่นดินแต่เห็นสิ่งนี้มีค่าที่สุดแล้วท่านก็เลยมาทําสิ่งนี้อย่างเดียวพอเรารู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ตามมาอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยรู้ตามท่านได้สําหรับมนุษย์ที่สนใจจะทำนะแต่มนุษย์ที่สนไม่สนใจจะทำก็ไม่รู้เพราะต้องเวีนว่ายแต่เกิดอยู่เป็นผักเป็นปลาเป็น สิงสารสาสัตว์เป็นมดเป็นปวกเต็มพื้นแผ่นดินอยู่อย่างที่เราเห็นนะก็เวียนว่ายไปอย่างนั้นก่อนจนกว่าเราจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งได้มาพบพุทธศาสนาพวกคำสอนของพระสมณะสมัมพุทธเจา้าเราก็มีโอกาสได้ศึกษาอีกมาโอกาสได้พบโดยยังไม่ศึกษายังไม่เอายังไม่รู้ก็ต้องเวียนไปอีกไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนชาติไม่รู้จะทุกข์อีกเท่าไหร่เพรนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงเปรียบว่าคนที่ทุกข์เพราะการเวียนว่ายใจเกิดเนี่ย น้ำตาเนี่ยเยอะกว่าน้ำในคลองอีกเลยเลือดที่ถูกฆ่าถูกบยุยห้ยตีมาแต่ละชาติเนี่ยเยอะกว่าน้ำในแม่น้ํากองกระดูกใหญ่กว่าภูเขาไม่มีที่ใดที่ไม่ใช่หลุมฝังศพของเราในพื้นแผ่นดินนี้ขนาดนั้นเลยอ่ะพราะเราเกิดเป็นสัตว์มาทุกสัตว์อ่ะควรจะมาเกิดเป็นคนได้มันยากแสนยากาเกิดเป็นคนแล้วยังเอาเรื่องนี้ไม่ได้อีกน่าเสียดาย เสดยชาติตฉนะะนั้นเองเราก็ไม่คนประมาทคนที่มีศรัทธามีความพร้อมก่อนก็ได้มาก่อนคนที่มีศรัทธาและความพร้อมน้อยหรือทีหลังก็ก็มาช้านะและถือโอกาสที่จะต้องมาให้ไวตอนที่ร่างกายเรายัางไม่เจ็บป่วยตอนที่ร่างกายเรายังใช้ได้อยู่ เมื่อร่างกายเริ่มเจ็บป่วยเราก็เริ่มเพิมริ่มทำอะไรไม่ถนัดแล้วหรือเมื่อร่างกายเราแก่ไปพนนี้ก็ทําอะไรไม่ถนัดแล้วเสียดายนะ น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่หยุดหยอนในการเผยแพร่วันแรกตั้งแต่ตัสรู้จนถึงวันสุดท้ายไม่มีโอกาสที่จะไปนอนบ้านไปนอนตายที่บ้านด้วยซ้ําไปนอนตายกลางป่าง่งามไม้อันก็ต้องยอมเพื่อเสียดายชีวิตของคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้สดับ กลับฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่รู้อีกเขาจะต้องไปไม่ได้เกิด อ, อีกเท่าไหร่เขาจะต้องทุกข์อีกเท่าไหร่เนี่ยนี่นคือความฉันใจว่ามหากรุณาที่คุณนั้นเองก็เรามาเองพอเห็นเรื่องนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปเหมือนแบบเดียกันไปทั่วโลกที่จะไปพบคนที่ต้องการเรื่องนี้ก็มาถึงจนมาถึงปีนี้ก็พบว่าคนในเมืองไทยเราเริ่มสนใจมากขึ้น ก็อาจจะต้องลดย่อนการเดินทางไปต่างประเทศลงเพื่อหันมาสนใจกับคนที่เขามีศรัทธาเพราะว่าที่มาไปทำต่างประเทศมาเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งคนเขาเห็นความสำคัญเขาลางานมาชั่วโมงหลายสิบเหรียญต่อชั่วโมงค่าเครื่องบินที่จะมาเข้าคอร์สคิดเป็นเงินไทยก็หลายตัง หลายหมื่นหลายพันแต่เขาก็เขาก็มามาแล้วเขาตั้งใจทำเพราะเขาเขาลงทุนเยอะทั้งเวลาทั้งเงินทองเงินเดือนเวลากว่าจลาได้แต่ละปีแต่บางทีเราบางไทยเมืองไทยของเราบางทีมันง่ายเกินไปไม่เห็นความสําคัญก็เลยทําบ้างไว้ทําบ้างชอบทําบุญให้ทานเพราะมันมันง่ายดีแต่ว่าสิ่งที่น่าทํามากที่สุดคือทำวิปัสสนา เพราะอะไรเพราะมันสามารถเก็บเกี่ยวบุญกุศลได้ตลอดเวลาทำบุญให้ทานเราไม่รู้วิธีการวิปัสนาเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวเฉพาะที่เราไปทำแต่ละครั้งแต่ละคราวซึ่งมันน้อยมากแต่ถ้าเรารู้จักวิปัสนาแล้วทำบุญกุศลได้ตลอดเวลาเพียงแต่รู้สึกตัวทั่วพร้อมตั้งใจตั้งสติตั้งสมาธิทำอะไรอย่างมีสติบุญเกิดแล้วก็วเกิดมากกว่าที่เราได้ทบุญด้วยวัตถุซี พ่ออะไรพ่อมันหมายถึงว่าจิตของเราได้พ้นทุกข์เรื่อยๆเนะี่ยบาทีเราทำบุญกุศลมานานไม่ได้ไปวิปัสสนาเราก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนลย ะ, ะยังไม่มีผลเท่ากับเรามาทําอย่างนี้แต่ละขณะแต่ว่าการทําบุญทําทานในทางที่ถูกก็หมายความว่าได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ไปด้วยได้ทดลองปฏิบัติไปด้วยทดลองศึกษาไปด้วยทําบุญทำทานไปด้วยเอออันนี้มันก็ทําให้เรามีทางเป็นไปได้ง่ายขึ้นการทําบุญทําดานเหมือนก็ เรามีน้ำมันหลอ่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีเท่นั้นเองทําให้รถวิ่งไปได้ไกลการมีสุขภาพที่ดีก็เหมือนเรามีพาชนะที่ดีถ้าหาอีกหน่อยสุขภาพเราเสื่อมก็เหมือนว่าเรานั่งรถที่มันเสือเส่อมเสืมเสียเสียเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเสียกลางทางไม่ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีด้วย <c oughs> ไม่ไปกินตามปากอยากกตามท้อง เพราะการกินทําให้สุขภาพเราเสื่อมไวกินมากก็เสื่อมมากกินน้อยก็เสื่อมน้อยดังนะนั้นเองก็เรามาเจเริญสติในวิธีการของพเทียนจึงเป็นการเผชิญกับความจริงทุกรูปแบบนะคนไหนสู้ก็ทนอยู่ได้คนไหนไม่สู้ก็ต้องหลีกไปนะเพราะว่าธรรมะที่แท้จริงต้องลงมือทําด้วยตัวเองบอกกันไม่ได้แต่ที่บอกกัน ก็เป็นเพียงกันโฆษณาเหมือนหมอโฆษณายาเนะี่ย <c oughs> บอกกันได้ <c oughs> เพียงแต่ว่ายาอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเราลงไม่ลงมือรับประทานเสยอย่างเนะี่ยหมอจะโฆษณาไปขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์นะพระจะเทศมาลดู ก, กี่ร้อยกี่พนันกันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราเพราะเราไม่ได้กินยาแต่พอเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะฟังเทศหรือไม่ฟังเทศก็ไม่สําคัญละเหมือนเราเปิดขวดดื่มยาแล้วเราจะอ่านสลากหรือไม่สลากไม่จําเป็นแล้ว ขอให้หายโรคนะนั่นเองก็จึงอยากจะให้ <c oughs> พวกเราที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติได้ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ประมาทต่อไปเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ภัยพิบัติในโลกเยอะเหลือเกินโรคภัยเข้าเจ็บก็เยอะสิ่งที่มาเบียดเบีย น, ยนบีทาก็เยอะทุกรูปแบบเราไม่รู้ว่าเราชีวิตเราจะปลอดภัยไปได้แค่ไหน เพ น, นั้นในเมื่อมาแล้วเราก็จะ <c oughs> ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งใจเราโอกาสที่เราจะมีความสงบความสุขที่แท้จริงมันก็ก็มีโอกาสนะแต่วิธีการปฏิบัติวิธีการหลวงพ่เทียนคือมันง่ายตรงที่ว่าเราทําได้ตลอดเวลาไม่มีรูปแบบตายตัวเพียงแต่จับสาระมาให้ได้สาระมันคืออะไรสาระมันคือรวมกายรวมใจมาอยู่ด้วยกันให้ได้ กายรู้สึกอย่างไรใจรู้ด้วยใจรู้สึกอย่างไรกายรู้ด้วยในแต่ที่แล้วมานึไปคนละทางกายอยู่ตรงนี้จะใจไปอีกทางหนึ่งกายรู้สึกอย่างนี้ใจไม่รู้ด้วยหรือใจรู้สึกนี้กายไม่รู้ด้วยมันแยกกันอยู่แต่พอเรามาปฏิบัติทางนี้วิธีนี้แล้วเนี่ยมันร่วมรู้ร่วมคิดและร่วมเดินทางด้วยกันระหว่างกายกับใจแค่นี้ก็เป็นบุญละ แค่นี้เป็นบุญนะแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่เป็นบาปบุญของเราก็ยังไม่เต็มนะประการสำคัญสิ่งที่เป็นเรียกว่าไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เชละได้ง่ายๆเราจะต้องเห็นโทษมันซสียก่อนนะเช่นว่าเราติดอาหารเราก็ต้องเห็นโทษของอาหารก่อน เราติดบุหรี่ก็ต้องเห็นโทษบุหรี่ก่อนถึงเลิกบุหรี่ได้เราติดสุราก็ต้องเห็นโทษสุราก่อนเราติดการพนันก็ต้องเห็นโทษการพนันเส้อก่อนถึงจะเลิกได้แต่ถ้าเราไม่เห็นโทษข้ามาอย่างซึ้งใจเนี่ยนะไม่มีใครไม่มีใครที่จะมากล้ามาบอกมาสอนให้เราเลิกได้หรอกแม่แต่พ่อแม่ของเรายังไม่เชื่อแต่ถ้าเราเห็นโทษมันด้วยตัวเองเนี่ยห้ามยังไงก็ไม่อยู่เราก็ต้องเลิก ดัง น, นั้นถ้าเราจะเห็นโทษของราคะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของโมหะเราถึงจะละละเลกิกราคะโทสะโมหะได้เราเห็นโทษของความโลภโกรหลซะก่อนเราถึงจะละโลภโกรหลได้ถ้าตราบใดไม่เห็นโทษมันอย่างลึกซึ้งเน่ละยากเพราะมันคืออาสมบัติเดิมของเราอาที่เราอยู่กับมันมา <c oughs> แต่บอกว่ามันเป็นสมบัติโจรเพราะว่า เราก็ทุกข์กับมันนั่นแหละทุกข์กับความโลภความโกรธความหลงมาแล้วก็จะทุกข์ต่อไปถ้ามันยังมีอยู่นะดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักว่าความโลภเกิดมาได้อย่างไรมันมีโทษอย่างไรความโกรธมันมาจากอะไรแล้วมันมีโทษอย่างไรความหลงเกิดมาจากอะไรแล้วมีโทษอย่างไรการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ <S <S เพื่อเห็นโทษเห็นอานิสงค์ของการละได้นะดังนั้นใน เรื่องง่ายๆเช่นความโลภหรือความอยากหรือตัณหาราคาในเรื่องเดียวกันมันกำเนิดเกิดก่อมาจากความพอใจความชอบใจความติดใจและความพอใจความชอบใจความติดใจกำเนิดเกิดก่อมาจากความสบายสบายกายเมื่อสบายกายแล้วเราไปเสพความสบายเช่นเรากินอาหารอร่อย ถ้าจะใครมาถามเราว่าขณะที่คุณอร่อยเนี่ยมันอร่อยกายหรืออร่อยใจเนี่ยก็ตอบยากอยู่นะหรือเราเห็นภาพสวยๆเนี่ยรู้สึกเป็นอาหารตาหรืออาหารใจถ้าฟังเสียงเพาอๆเนี่ยมันเป็นอาหารหูหรืออาหารใจเราต้องแยกกระดึกตัวนี้ให้ออกก่อนนะถ้าหากว่าเราได้มาเห็นโทษของมันแจ้งชัดแล้วเนี่ย แค่แค่แค่นึกแค่นั้นมันก็น่ากลัวละเหมือนกับพวกที่เขาติดแล้ววันหนึ่งเขาเห็นโทษเอามันแล้วเนี่ยแค่ได้กลิ่นเขาก็แทบจะเดินหนีละดังนั้นใหนใช้คำว่าโทษของวตาสงสาราเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับ เคลนให้เราต้องเวียนไหวใจเกิดอยู่ไม่สิ้นสุดนะเป็นสารพัดสัตว์สารพัด ส, ส, ส, สิ่งทั้งหลายที่มันจะหมุนไปนะแต่พอเราเลิกละหรือทำให้เบาบางอย่างพระโสดาบันเนี่ยยังเลิกละโลกกุหลงไม่ได้นะแต่ว่าได้ความเข้าใจสามอย่างหนึ่งลดความถือเนื้อทือตัวลงสอง ไม่สงสัยเรื่องพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงสามไม่วดดื้อถือดีเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพระโสดาบันทาได้แค่สามเรื่องเนี่ยหนึ่งไม่ถือตัวสองไม่สงสัยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามไม่อดดื้อถือดีเหมือนเหมือนเดิมพร้อมยอมที่จะรอมรับความจริงไงแค่นี้เป็นพระโสดาบันได้ละ <c oughs> แต่ว่าที่จะไปละไม่ละตัวเอ่อ ไม่ถือเนื้อถือตัวก็ดีไม่สงสัยก็ดีไม่อวดอื้อถือดีก็ดีเพราะอะไรเพราะมาเห็นว่าตัวเองนี้คือรูป ก, กับนามยอมรับได้เมื่อก่อนเรายังเห็นตัวเราในเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใครมาว่าไม่ได้เราเป็นพ่อลูกม า, มาด่าไม่ได้ใครเป็นแม่ลูกมันว่าไม่ได้ใครเป็นสามีภรรยามาว่าไม่ได้เมื่อก่อนแต่พอเราเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยมัน ไม่เหมือนเดิมนะเราสามารถทําจิตใจให้นิ่งได้เฉยได้ถ้ามีใครมาด่ามาว่าเนี่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันท่างกายนี้เป็นธาตุของอณิจจังทุกขังตา ต, ตลอดเวลามันเป็นของทุกข์ของการเปลี่ยนแปลงของอ น, นิจจังทุกขังหน้าตามไม่ใช่ของเราแต่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาอย่างไรแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายนี่เป็นของเราอยู่ใครมาแตะต้องใครมากระทบกระแทก เราก็ยังโกรธยังเกลียดยังเคียดยังคุณอยู่พ่อเราเห็นว่าร่างกายเี็นของเราแต่พอวัดไรพาวนาเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นของนิจังทุขังหน้าตาเพราะฉะนั้นเขามาด่าก็ด่านินจังทุขังหน้าตาไม่ใช่ด่าเราเนีนะ่ยเขามาทําร้ายก็ทําร้า ย, ายนิจังทุขังหน้าตาไม่ใช่ทำร้ายเรามันจะทําใจได้อย่างเนี้เมืันถึงละความคิดถือเนื้อถืถอถตัวได้ไงเขามาด่าเขามาว่าเขามาอินทาก็ไม่เจ็บไม่แสบ ไม่ร่าร้อนเหมือนเมื่อก่อนละมันก็เบาลงมานั่นหมายความว่าเราเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจนี้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ขัง น, นิจังอน้าตานะแค่นี้ที่เรามาภาวนากันเพื่อเห็นสิ่งนี้เท่านั้นนะแต่ภาวนาหกวันเจ็ดวันเท่ายังไม่เห็นสิ่งนี้ <c oughs> ก็ถือว่ายังไม่ยังไม่เห็นธรรมยังไม่เข้าใจธรรมใครมาด่ามาว่ามาอนินทามาประมาทก็ยังโกรธเกรีดเคียดคุณอยู่ หรือบางคนมึงได้สมาติสมาธิใช้ได้สติดีๆตอนแรกอาจจะมีใครมากระทบกรแทกมาว่าอาจจะไม่โกรธเกลียดแค่คุณแต่พอนานๆไปพอไม่ได้ทําไม่ได้ซ้อมไม่ได้รักษามันก็กลับไปเหมือนเดิมก็มีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราด้วยว่าเรามีศรัทธามากน้อยแค่ไหนนะนั้นก็จึงอยากจะให้กําลังใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องต้องลงมือพิสูจน์ พิสูจน์ว่าเรามีวาสนาบารมีมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ถ้าเรามีวาสนาบารมีได้สั่งสมมากเราลงมือทำแล้วเราก็จะเข้าใจได้เลยแต่ถ้าวาสนาบารมีเราสั่งสมมาน้อยลงมือทำ้วเข้าใจได้ยากหน่อยก็ต้องทาให้เราต้องมุ่มานะสู้ว่าเราเออไม่มีสมบัติมาก่อนเลยเราก็จะรีบสั่งสมสมบัติต้องรีบทาละต้องทามากด้วยเพราะเราไม่ได้ทำเหมือนคนจนรู้ว่าเกิดมาไม่มีสมบัติ พาะแม่ไม่ได้ให้สมบัติอะไรมาเขาจึงมุ่มา่นะเพื่อให้แข่งขันกับคนที่เขามีกว่ามเมื่อลงมือทำแล้วเราจะรู้ว่าเราได้สั่งสมมาบ้างหรือไม่นะเราจะรู้ตรงนั้นถ้าได้ทาแล้วรู้สึกสนุกชอบเราก็เข้าใจได้นี่หมายความว่าเรามีของเก่าได้สั่งสมมาเยอะแล้วแต่ลงมือทำแล้วมันฝืนมันฝื น, ม, น, ฝนมันไม่เอามันไม่สนุกมันขี้เกียจมันไม่สู้นี่แสดงว่าเราไม่ได้สั่งสม อันนั้นมาเราก็ยิ่งพยายามกว่าคนที่เข้าใจง่ายสิถ้าไม่พยายามเราก็ยิ่งไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อะไรเลยนะเราก็จะไปข้างหน้าก็ยิ่งยุ่งยากไปเรื่อยๆนะไม่มีไม่มีสิ่งช่วยเพราะนั่นก็จึงอยากจะให้ผู้เข้าปฏิบัติทุกทุกคนนะที่มาไปมาเนี่ยมาอบรมแล้วไม่ใช่ทิ้งเลยเนะี่ยมก็จะทำประวัติเหมือนประวัติคนป่วยนะ เพราะพุทธเจ้าถือว่าทุกคนที่ยังไม่หมดกิเลสถือว่าเป็นคนป่วยป่วยด้วยโรคอะไรโรคลาคะโลคโทสะโรคโทสะโรคโมหะสามโรคเนี่ยเป็นโรคแห่งวัฏสงสารใครบ้างที่จะไม่โรคนอกจากพระอรหันต์ถ้ายังโรคอยู่ยังชอบอยู่ถือว่าเราเป็นคนป่วยป่วยทางจิตวิญญาณเราไม่ใช่โรคเป็นโรคจิตนะ แต่เราเป็นโรคทางวิญญาณโรคจิตหมอรักษาได้แต่โรควิญญาณเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นรักษาได้แม้แต่หมอเขเป็นโรควิญญาณพ่อหมอเขยังโลภอยู่หมอยังโกรธอยู่หมอยังหลงอยู่ใช่ไหมหมอก็เป็นโรคทางวิญญาณเพราะโรคมันมีสามโรคโรคทางกายหมอรักษาได้โรคจิตโรคประสาทหมอรักษาได้แต่โรควิญญาณหมอรักษาไม่ได้พ่อหมอก็เองก็เป็นเหมือนกันนั้นโรคทางวิญญาณคือมี3าโรคคือโรคโลภโกรธหลง ราคาโทรศัมูหานี่เองนะก็กำหนดมาจากความชอบไม่ชอบและความไม่รู้นะและชอบไม่ชอบและไม่รู้ก็กำหนดมาจากความพอใจความสบายไม่สบายความไม่รู้นั่นเองนันเความรู้สึกสบายเนี่ยใครๆก็ชอบใช่ไหมแต่ทำไมมันจึงกลายเป็นกิเลสเพราะเราไปติดมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้สบายนะให้สบายได้แต่จะไปติดคนสบาย นั่งตรงนี้ไม่มีแอร์ไปนั่งห้องนู้นไม่เหมคุณก็ต้องรู้สึกรับได้แต่ว่านั่งนี้ ม, มีแอร์พอใจไปห้องนู้นอ้ไม่มีแอร์ฉันไม่พอใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเราติดแล้วติดแอร์เป็นโรคติดแอร์เพราะในชีวิตจริงจริงแล้วต้องอยู่ได้ทุกที่อยู่แหละแต่ถ้ามันมีเราก็ใช้มันแต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะไปเดือดร้อนหวยหามัน มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะชีวิตนี้มันจะต้องเผชิญกับความจริงอยู่แล้วแต่เวลาท่า <c oughs> น, นั้นก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้คนที่มาฝึกฝนปฏิบัติแล้วเนี่ยให้กลับเอาไปทําต่อที่บ้านหลวงพ่อเลยว่าทำํำทะเบียนประวัติเอาไว้จะต้องมีรูปถ่ายด้วยต่อไปนะหลังจากเบิดโทรศรัพท์ <c oughs> มีอ e ีเมลมีไลน์แล้วเช็คดูว่าคือถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณเอาไปทำหรือเปล่าถ้าไม่ทําแล้วก็สอบแล้วไม่ก้าวหน้า ถ้าปีต่อไปถ้าจัดที่ไหนหลวงพ่อเขาจะไม่รับเข้ามาอีกแสดงว่าคุณไม่เหมาะที่จะเข้าเพราะคุณไม่ก้าวหน้าเเลยเนี่ยแต่สอบรู้แล้วเออตรวจสอบแล้วเออคุณก้าวหน้าขึ้นตั้งใจถามอารมณ์อะไรก็รู้เข้าใจใช้เป็นเออแสดงว่าคุณสามารถที่จะเข้าใจเพราะคุณเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะบําบัดทุกได้เฉพาะตัวเองเนี่ยต่อไปเอาไปแนะนําคนอื่นได้ด้วยแนะนําญาติพี่น้องอาจมาเข้าใจธรรมะครั้งแรกคนที่แนะนํา คิดถึงก่อนมากที่สุดใครรู้ไหมคิดถึงแม่เพราะเห็นทุกข์ของแม่มาตลอดเอ้านู่เราเราสามารถแก้ไขทุกได้ก็ต้องแม่ก็ต้องแก้ไขได้ด้วยดีเอามาไปให้แม่อยู่สะถึงเจ็ดปีถึงแก่จะเอาสามปีนี้พยายามมากในที่สุดแล้วก็เลยต้องพาไปหาหลวงพ่อเทียนให้หลวงพ่อเทียนช่วยหลวงพ่อเทียนถามอยู่แม่อยู่คำหนึ่งว่าโยมในชีวิตของโยมโยมรักใครมากที่สุด บอกว่ารักลูกถ้าลูกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้ในะยมจะเอาไหมเอาที่แล้วมาในยุให้ยมตั้งหลายครั้งทำไมโยมไม่เอาแค่นี้แกร้องให้โหเลยเอ้จริงไงไปโกหกหลวงพ่อแล้วมันะี้แล้วตั้งแต่นั้นมาแกไม่ไม่ถอยเลยเอาตลอดไม่นานแกก็เข้าใจเดี๋ยวนี้แกยังแข็งแรงอยู่อายุแปดสิบห้าแปดสิบหกแล้วมาหลังจากเข้าใจธรรมะเราอยู่บ้านเรไม่เป็นอยากอยู่ป่าแล้วมาอยู่วัดวัดดอย มาอยู่ที่อื่นอยู่จังหวัดอื่นก็ต้องตามมาดูแลแกเนะี่ยส่งพระมาดูแลกหลายหลายหลายคนแต่ก็อยู่ไม่ติดเพราะแกเป็นคนเข้มงวดมากก็มาก็เลยมาทําที่วัดดอยที่วัดพระธาแสงเทียนให้แกอยู่อยู่ทุกวันเนี่ยแกก็วิ่งคือลงคือลงทําอาหารเลี้ยงพระอยู่ทุกวันนี่แหละนะอายุแปดสิบป่าพะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าเข้าใจใครเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันมันไม่ทุกข์อะแล้วมันมีคุณค่าแล้วก็ดูแลตัวเองดีไม่เจ็บไม่ป่วย เพราะอะไรเรื่องจิตใจเรายังดูแลเป็นน่ยมันไม่มีตัวใช่ไหมแล้วร่างกายเปของง่ายๆทำไมดูแลไม่เป็นเออแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจธรรมะอย่าว่าแต่จิตใจได้แต่ร่างกายยังดูแลไม่รอดเลยะนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้รักชีวิตจริงเรามีแต่รักกิเลสเรารักอาหารอร่อยมากกว่าแต่ที่รักสุขภาพดีใช่ไหมเรารักหนังละครมากกว่าที่จะรักสุขภาพเพื่อการนอนหลับที่ดีๆเราอุดรับอดนอน เราักเงินทองมากกว่าที่จะได้รับการหลับนอนหลับพักผ่อนเมื่อมีค่าชั่วโมงสู ง, สงๆูงเราทางานได้ทั้งคืนใช่ไหมหรือติดการพนันเราเล่นได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องสุขภาพมันจะได้พักผ่อนแค่ไหนนี่เรารักสิ่งเหล่านั้นมากกว่ารักความชอบความพอใจมากกว่ารักสุขภาพที่ดีนั่นคือความเจ็บป่วยของเราแต่ถ้าเรามาปฏิบัติภาวนาแล้วเราจะรักชีวิตมากกว่ารสชาติของมันเพราะารสชาติของมันเป็นสิ่งมายาถ้าเรากินได้อยู่ เราก็รู้สึกว่าอร่อยถ้าวันหนึ่งเราป่วยแล้วกิกนเข้าวไมาอร่อยแล้วอาหารดีขนาไหนก็ไม่อร่อยแล้วมันจะอร่อยแต่เมื่อร่างกายนี่มันดีเท่านั้นนะฉะนั้นเองก็ก็ไม่อยากให้ประมาทว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีค่ามากมนุษย์เท่านั้นนจะทําเรื่องนี้ได้นะแต่ต้องเป็นมนุษย์มีศรัทธาด้วยมีความเพียรด้วยมีสติสมาธิปัญญาด้วยนะถึงจะทําเรื่องนี้ได้ถ้าไม่มีศรัทธาโอ้ไปเอาช้างมาลากมาจุงก็ไม่มาใช่ไหม แต่ถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยโหได้ข่าวที่ไหนมาเลยนะดังนั้นก็อยากจะให้มีศรัทธาด้วยเป็นมนุษย์ที่มีศรัทธาและมีศรัทธาก็ต้องพัฒนาต่อไปเนี่ยไปหยุดยั้งแค่นั้นไม่ได้ต้องมีปัญญาด้วยถ้ามีศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาก็ถูกเขาหลอกอีกนะถ้ามีปัญญาไม่มีศรัทธาก็ติดทิฐิของตัวเองอีกตัวเองรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็มันอยากจะไปปฏิบัติ แต่มีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาก็หมายความไม่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการพิสูจน์ไม่มีการสอบสวนมันก็จะถูกหลอกได้ง่ายนะและนั้นเองก็โชคดีนะ <c oughs> ที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เผื่อเราจะได้เตรียมกายเตรียมใจเป็นแล้วก็ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเนะีนะ่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องหลอกเอามาโดนโดนหลอกก่อนเพื่อนนะนะครูบาอาจารย์ก็โดนหลอกก่อนเพื่อนนะั่นแหละเอามาถูกหลอกมาสามสิบสี่สิบปีถ้าถูกหลอกให้หมดทุกก็น่าจะ ใครมาหลอกก็เราก็จะยอมให้หลอกด้วยถูกหลอกให้หมดกิเลสถ้าพูที่เจ้าหลอกเราก็เราก็ยอมตามด้วยเพราะท่านหลอกให้หมดทุกข์ใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่หลอกกันให้มีทุกข์ใช่ไหมเออหลอกให้หมดความโลภอนี้ก็ยอมให้หลอกล่ะหลอกให้หมดความโกรธก็ยอมให้หลอกหลอกให้หมดความหลงก็ยอมให้หลอกเพราะนั้นท่านใช้คำว่ากูสโลบายกุูสนมีพระเถระรูปหนึ่งพูดเรื่องนี้ตรงๆเลย วพราะผู้ดีเจ้ามีกุศโลบายท่านบอกกุศโลบายแปลว่าอะไรวิธีชีิ่ชาแนลวิธีที่เหมาะสมวิธีเหมาะสมท่มมมานเราไปแปลว่ า, <c oughs> าวกูหกเกง่งพู้ดีเจ้าโกหกเก่งพูดแค่นี้ท่านติดคุกเลยนะสมัยนั้นสมัยจอมพสลสฤษดินะ์เนาะพึงพนคุกมาตอนเอ <c oughs> อ <c oughs> ขณท่านเป็นสังฆราชมนฑีว่าการปกครองเลยนะหลวงพ่อพี่ธรรมนะติดคุกตั้งนานเนะี่ยหลายคนรู้จักใช่ไหมโดนค ด, ดีเลยเพราะฉะนั้นบางทีภาษาสมมุติเนี่ยพูดตรงๆไม่ได้นะมันพี่กฎหมายนะแต่ว่นจะถูกร้องจริงไงแต่มันพี่กฎหมายนะคือท่านท่านก็หกหลอกเราให้หมดทุกอะ่ะมันไม่เสียหายนะท่านหลอกเราให้หมดความโลภความโกรธความหลงอะ่ะแต่ ท่านช้อย่งนันไม่ถูกต้องใช้คำว่ามีอุบายอันชาญฉลาดที่จะช่วยเราเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยหลอกให้เราอทําในสิ่งที่เวลาเราร้องใช่ไหมตอนเป็นเด็กไป่ร้องโดยเสียมานะใช่ไหมเราก็เงียบไปใช่ไหมเออพ่อแม่ต้องเป็นองเราบอกว่าพ่อแม่กูผีศีลได้ไหมนั่นแหละก็เรียกอุบายอันชาญฉลาด จะล้องนะเดี๋ยวเสือเอาไปกินนะเราก็้วกลัวเสือเงียบเลยนะลักษณะนี้ท่เากูศโลบายกูศโลบายไม่ได้มีถูกมีผิดแต่ขอวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเกิดความปลอดภัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าใช้อุบายถึงแปดหมื่นสี่พันอุบายที่จะมาทำให้เราค้นจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนี่แหละ เพระนั้นจึงอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจหลักการอันนี้แล้วเอาไปทําวิธีการอพุทธเถี่ยนเป็นวิธีที่ง่ายและเบาสบายเหมาะสมกับคนทุกเวทวยคือเฉพาะคนปานกลางเนี่ยแต่เรื่องลมหายใจอนาปนสติเนี่ยมันเป็นมุขกุศกรรมฐานแต่ว่าเป็นกรรมฐารที่ดีที่สุดแต่มันดีเกินไปยมเคยเล่นคอมพิวเตอร์ ม, มั้ยเคยใช่ไหมรุ่นไหน รุ่นโบราณรุ่นโบราณอรุ่นที่ดีที่สุดนะอัปเดตล่าสุดนี่นะหกสิบสี่ีย์กระบายอย่างงี้นะไปไม่ถูกเลยใช่ไหมเร่ต้องน่นรุ่ น, น, นแรกๆนั น, นเหมือนกันนะถ้าเราเล่นนันไอ้สิ่งที่ดีที่สุดนี่ยไม่มีประโยชน์สําหรับเราเหมือนกันอนาพนสิดีที่สุดแต่ว่าเราเอามาทํามันไม่เป็นน่ะใช่ไหมเราก็รุ่นต่อมาที่มันเหมาะมันแมทแกับไอ้ความสามารถของเราก็มาใช้วิธีการของพทุทเอ็นนะ วิธีการพ่ดเห็นผมก็แชร์หน่อยได้ไหมครับว่าไงปกติผมกำลังหัดดูลมหายใจดูได้ไม่เกินสองคู่เข so so ้าออกออพอมาวันนี้หลังจากที่ฝึกเดินหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตอนเย็นนี้ครับไม่สามารถที่จะทำได้นานลมอะไรอะไรไม่แท็งครับ นั่นไหมนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราทําตอนแรกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทํามันแต่ไปทําสิ่งที่ลองลงไปก่อนให้มันเป็นก่อนเหมือนโยมจะฝึกจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโนบุ้นโะยมก็ไปเริ่มพิมพ์ดิดไอดิดทีละเปาะเฉลเปาะเหมือนเมื่อก่อนให้ไปเป็นอันนั้นก่อนใช่ไหมพอมาเล่นของมันก็จะเป็นขึ้นไหมเขาไปฝึกไอ้ส่วนของที่ง่ายๆซสก่อน แต่ต่อไปของยามก็จะทําได้อ น, นาปนสติมันยากใช่ไหมเราเข้ามาฝึกการเคลื่อนการไหวนี้ง่ายๆสิให้เป็นเสียก่อนการเคลื่อนกาไหวไม่ได้หมายความว่าการไ อ, เ, อเราจะปฏิเสธลมหายใจนะแต่ว่าเราจะจู่ๆไปทํำเลยไม่ได้มันเกินกําลังสติของเราคนที่จะใช้ อ, อ น, นาปนาสติได้สําเร็จคือคนมีสติปัญญาดีแล้วที่เขาฝึกมาแล้ว ไอเรายังไม่ได้ฝึกเรื่องนี้มาเลยเนะี่ยจู่ๆไปทําโอ้แทกตลอดแทกตลอดบางคนโอ้ฉันไม่มีวาสนาบารมีนั่งที่ไรหลับพินนั้นหรือไม่ทําเลย <c oughs> เอ อ, เ อ, อตอนนี้คุณยังทําไม่ได้ตอนนี้นคุณก็ทําอันนี้ก่อนสิใช่ไหมเ <c oughs> มืส่สติสมุทเทย์วันเข้มแข็งแล้วคุณจะนั่งดูลมหายใจทั้งวันก็ไม่ ง, ง่วงใช่ไหม <c oughs> แล้วไม่มีอะไรแทรกด้วยก็ท <c oughs> ําได้ดีอนัปปานสักก็ทำได้ดีนะ ดังนั้นเองวิธีการนี้จึงเป็นวิธีที่นําร่องไปสู่วิธีที่ยากทุกรูปแบบจะไปทงพุโทโธก็ทําได้ดีทำเนอก็ทําได้ดีทําสัมมาระฆังก็ทําได้ดีมันทําได้ทุกอย่างเลยแต่ขอให้ตัวนี้มีพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดแต่ลําพังแต่วิธีการอันนี้นะวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดรวมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของอิริบทย่อยใช่ไหม หายใจพับตาปากหายใจมีอยู่ที่ในที่เราสวดะนะคาเตทีเตนิสินเนฮาสิเตตุนฮีพาเวสัมปชานาการีหติมีความรู้สึกตัวพอพร้อมในการไปการนั่งการหยุดการพูดการนิ่งแม้แต่การนิ่งก็ต้องรู้ด้วยนะคนเราไม่เชื่อไม่ชื่อขึ้นไหวตลอดเวลาเนี่ยนิ่งนิ่งอยู่ก็ให้รู้ว่านิ่ง มึงคนนิ่งยังไม่รู้ตัวนะ่ะจิตนิ่งด้วยหรือบ้อางทั้งกายทั้งใจเนี่ยนะกายนิ่งก็รู้จิตนิ่งก็รู้นะการพูดก็รู้การหลับก็รู้การตื่นก็รู้นั่นให้รู้ทั้งหมดเลยมันละเอียดการหายใจก็รู้การเข้าไปรู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นที่ตั้งของสติเมื่อสติมีที่ตั้งแล้วเนี่ยสติก็จะมั่นคงเมื่อสติมั่นคงแล้วจิตก็มีที่ตั้งอแต่ถ้าหาว่าไม่ฝึกสติ ให้เป็นที่ตั้งของจิตจิตมันก็ไปตั้งในอะไรอ่ะอ่าไปตั้งในความเผลอไปตั้งในความหลงไปตั้งในความโลภความโกรธความหลงไปตั้งในความอยากอ่ามันไปตั้งในนู่นเ่ยพอไปตั้งจิตของเราไปตั้งอยู่เขาโลภกรธหลงมันเป็นไงมันก็นําภัยพิบัติมาให้เราใช่ไหมแต่พอเอาสติเอาจิตของเราไปตั้งอยู่ในสติมันก็จะมีฐานของศีลสมาธิปัญญาเข้ามารองรับมันก็ปลอดภัยเนี่ย เพราะฉนั้นเราจึงเอาสติมาเป็นฐานเรียกว่าสติปทานไงที่ท่านพระท่านพาสวดวันนี้ยวันนี้ท่านสวดถึงฐานที่สามใช่ไหมฐานที่หนึ่งก็คือกายเราสวดไปเมืนอก่อนล้ลมหายใจฐานที่สองก็คือเวทนาความเย็นร้อนอ่อนแข็งในร่กายเนี่ยจิตเราตั้งอยู่ตรงนี้ไหมจิตเราตั้งในความรู้สึกตัวที่เป็นเย็นแล้วอ่อนแข็งชัดไหมฐานที่สามเวลาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตของเรามันตั้ง ตั้งอยู่ในอะไรตั้งอยู่ในสติหรือตั้งอยู่ในไออวิชาถ้าตั้งอยู่ในอวิชาสิ่งที่คิดออกมาก็จะเป็นโลกกลงใช่หมถ้าตั้งอยู่ในความรู้สึกตัวคิดออกมาก็จะกลายเป็ น, นศมมีลสมทิปัญญาอยู่ที่ว่าคิดได้นะแต่ว่าอะไรคุณเอาอะไรมาเป็นฐานในขณะคิดเนี่ยเอาสติมาเป็นฐานหรือเอาอวิชามาเป็นาอวิชาหรืออวิชามาเป็นฐานหรืออวิชามาเป็นฐาน เราต้องรู้เพราะนักการเจริญสติทําให้เราล้ว่าอะไรคือวิชาอะไรคืออวิชาวิชาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใช่ไหมอวิชาคือความเผลอถ้าโอ้ผมเผลอคิดไปโอ้ผมเผลอพูดไปเผลอไปนิดเดียวเนี่ยะใช่ไหมเราพูดบ่อยๆใช่ไหมโอ้ไม่น่าเลยเผลอเพื่เผลอนิดเดียวแค่นั้นมันไปไกลเลยใช่ไหมจิตของเราเราเผลอไม่ได้เผลอเราไปไกลเลยเผลอคิดนิดเดียวโอ้ชักปืนยิงคนตายไปแล้วทาไงเผลอนิดเดียวบันดาลโทสะใช่ไหม เรื่องใหญ่เลยเนะี่ยเผนิดเดียวไม่ทันรถโอโ้โหเสียเวลาไปอีกวันหนึ่งเนหะ็นไหมนิดเดียวอะดังนั้นเองก็ให้เห็นความสำคัญของการเจริญความรู้สึกตัวเก็บทุกเม็ขดขณะยืดขณะลุกขณะเดินเก็บมันตลอดได้ตลอดใช่ไหมไม่ยากเลยอะแค่นี้ก็ได้ละได้บุญก็ผมก็ขอพอพอคุองค์นั้น อืไม่ต้องขอบคุณหรอขอบคุณตัวเองเวลาจะเดินเลยให้ให้รู้สึกแต่เวลาเราไม่ได้เราไม่จะได้จเจดินสติแล้วเดินอย่างนี้ไม่เป็นนะจำ้ำพวดพวดพดพว ด, ดไปเลยนะนะนนก็เลยเดินด้วยอวิชาเรามีอวิชาเป็นฐานแต่ถ้าเราค่อยเดินเข้าไปค่อยรู้สึกตัวไปมีวิชาเป็นฐานเราก็ได้ตลอดเลยทีนี้ใช่ไหมแล้วเวลาล้างถ้วยล้างชางหลวงพ่อหบอกให้ตั้งใจล้างจะกองเท่าภูเขาเรากกาก็อย่าไปกลัวมัน อันนั้นคืออุปกรณ์ให้เกิดสติค่อยทำไปค่อยล้างไปสมัยมาเป็นเนเนเนี่ยมาชอบล้างถ้วยล้างชามเพออะอเลเพ่อพระเนนที่อยู่ด้วยกันทั้งวัดนี้เวลาเขากินแล้วก็กทิ้งอะไเกลียขาไปาแล้วก็ชอบเก็บเก็บเก็บมาใส่ใส่รถเข็นนี่นะเข็นไปที่บ่อน้ำชนเด็กวัดไปล้างถ้วยเอาบุญเออมันก็เป็นอันนี้สูงนะอันนี้สงนนั้นหลวงพ่อรู้รู้ ยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันมินิใสมัอมีนิัยมันยังไม่รู้เรื่องนี้หรอกอันนั้นเองก็ในการปฏิบัติถ้าหากเราเจริญสติแล้วนะคุณไหนมินิใสยขยันจะได้เปรียบเพราะเพียงแต่เมื่อก่อนเราขยันด้วยความไม่รู้ใช่ไหมขยันอยากจะให้เขาชมขยันอยากจะให้เขา เราว่าเราดีขยันจะให้เราไดรบกระยุ่ยเยาว์เป็นคนดีเป็นคนขยันแค่นั้นเองเราขยันเพราะสิ่งนั้นแต่ทุกวันนี้นเราไม่ได้ขยันเพราะสิ่งนั้นแต่เราขยันเพราะอยากจะให้รู้สึกตัวเยอะๆได้รู้สึกตัวบ่อยๆแล้วมันจะเกิดฐานของสติได้เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ฟังกันแค่นี้พอ